ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโธธนิยกถาเพื่อเป็นแนวทางสาหรับพวกเราฟังเพื่อการศึกษาเพราะการศึกษาของพวกเราจะต้องได้ยินได้ฟังบ่อยๆได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเคยกล่าวย้ำแล้วย้าอีกหลายครั้งว่าผู้ฟังรำ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 สุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นต้องอาศัยได้ยินได้ฟังแล้วก็ทบทวนการกรองไตรตองอีกครั้งว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันนั้นมีหลักเหตุผลอย่างไรถูกต้องและผิดอย่างไร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 ในในทางของพระพุทธศาสนาที่ปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสโลภโกรดหลงออกออกจากจิตใจต้องภาวนาอย่างนี้เต้องภาวนาเมย์ปัญญาเท่านั้นที่จะชำระถอดถอนกิเลสได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าเบื่ออย่าเบื่อหน่ายในการได้ยินได้ฟังในเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้ไข้ควรทบทวน สิ่งที่ได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอันนี้สงแห่งการฟังธรรมห้าอย่างแล้วก็สุตตามยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาได้ความรู้ความฉลาดที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราจะเกิดสติปัญญาได้อย่างไรพระอย่างหลวงพ่อนี่ยก็เหมือนกัน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 ทีท่วนทุกอย่างแล้วคงจะได้ยากเพราะท่านก็จะพูดเป็นแนวทางในการปฏิบัติแต่เมื่อครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติเห็นผลอย่างไรประสบการณ์อย่างไรรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรท่านก็จะได้นำทำคำสอนที่ท่านได้ประสบการณ์มานั้นมาแยกแยะอีกทีนึง่งเพื่อพวกเราจะได้ฟังให้เต็มเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น เหมือนกับลูกของท่านแต่ละคนลูกศิษย์ลูกหาแต่ละท่านแต่ละคนถ้าว่าลูกที่เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้เรื่องดีแล้วท่านก็ให้ข้าวอาหารให้อยู่ให้กินท่านกินยังไงท่านก็แบ่งให้อย่างนั้นแต่แนบแ้วให้ย่างนั้นแต่ว่าเด็กเล็กนะท่านจะให้ยังไงจะให้เหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้แต่จะต้องอาหารที่บดละเอียดแล้วผสมกับอะไร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 แบางองค์เนีย่ยอย่างสติปทานสีเนี่ยคือเป็นแนวทางเอาไว้แล้วสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแต่องค์ไหนจะยึดตัวไหนอจะยึดจะในชูประเด็นไหนที่ท่านได้เป็นผู้มั่นใจที่ท่านได้รับมรรครับผลในการพิจารณาและการกันกรองไตรตรองของท่านอันนี้ท่านก็จะชูประเด็นของท่านที่ได้ประสบการณ์หรือท่านได้เจอมากับตัวของท่านเอง แต่บางองค์ท่านก็ชูเรื่องกายบางท่านก็ชูเรื่องเวทนาบางทีชูเรื่องของจิตบางทีบางท่านก็ชูเรื่องของธรรมถ้าเปรียบเทียบอีกให้เห็นอย่างชัดเจนก็เหมือนกับพวกเราทํามาค้าขายนะหลวงพ่อว่านะคือพวกเราทํามาค้าขายจะให้ทําอย่างเดียวกันก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งก็ทํามาค้าขายอย่างนึคนหนึ่งก็ทํามมาค้าขายอย่างหนึ่ง อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนะี่ยแหละแต่ว่าผลที่ได้มาก็คือเงินเออคือเงินที่พวกเราได้มาใครได้มามากน้อยแค่ไหนเราจะไปดูถูกเขาอย่างเดียวไม่ได้ปอ่อทํานาเน่ะแต่สู้ค้าขายไม่ได้ถ้าเขาทนานํานาเป็นเขาทํานามากแล้วก็ทํานาต่อเนื่องเออผลในสุดเขามีที่ไร่ที่นามากผลในสุดเขามีโรงสีเองแล้วก็ส่งส่งข้าวออกนอกเองไงเอ่อ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 แต่ละท่านแต่ละองค์ที่ท่านเขาอยู่ป่ารงพงไพหรือว่าท่านได้ปฏิบัติอบางท่านท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในป่ารงพงไพแต่ท่านอยู่ในเมืองแต่ท่านอไม่คุกครีอท่านเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้อยุคอยากจะฟังดูว่าตัวอย่างน่ะในยุคปัจจุบันล่ะหลวงพ่ออในยุคปัจจุบันเนี่ยครับท่านเจ้าคุณนออที่พระอยู่ในกรุงเทพแท้ ท่านก็อยู่ในกรุงเทพท่านไม่ได้ไปทุกดงที่ไหนแต่ท่านภาวนาของท่านเอาจริงเอาจริ ง, รงท่านไม่คุกคลีกับใครๆทั้งหมดอจากท่านขอนี่แ่ละออธิษฐานของท่านก่อได้สําเร็จแล้วครูบาอาจารย์ของเราก็ยอมรับอย่างองหลวงตายท่านยอมรับเจ้าคุณนอนนี่ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นพระหรหันอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยอมรับถึงท่านไม่ได้ออกปา่า เที่ยวภูผาป่าไม้ออกผู้ดงแต่ใจของท่านออกทู้ดงคือหามุมสงบแต่บางคนกัไปเที่ยวป่ารงพงไพรก็เถอะไปอยู่ภูผาป่าไม้ขนาดไหนก็เถอะแต่เราคิดออกไปข้างนอกคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองคิดถึงเรื่องราวอะไรต่อไม้อะไรอันนั้นแปลว่าร่างกายอยู่ในป่ารงพงไพรเท่านั้นแต่จิตใจออกไปวุ่นวายกับโลกภายนอกอันนี้นแปลว่าไม่ถูกต้อง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 ก็เอากายกําหนดเื่อขาขวาพุทธขายช้าโธเปรวนาก็เอากายกําหนดหรือให้มีสติอยู่กับกายของตนเองเอให้เอาสติอยู่กับการนั่งเดี๋ยวขณะนี้เรานั่งให้มีสติอยู่กับกายของตนเองอันนี้ก็คือมีสติอยู่กับกายส่วนเวทนาก็คือการเจ็บปวดเนี่ยมีวักหายใจเข้าหายใจออกก็คือเวทนามีความสัมผัสเออ หนาวร้อนอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็คือเวทนาเวทนามีสองเวทนากายเวทนาจิตเวทนากายก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเรานั่งปวดแข้งปวดขาร้อนหนาวอย่างนี้อันนี้หรอเวทนากายส่วนเวทนาจิตสิ่งที่มากระทบมันมีความทุกข์อยู่ในใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นหรือว่าสิ่ง ที่พอใจเกิดขึ้นก็มีความสุขกำว่าสุขเขเวทนาการสิ่งที่ไหนที่ไม่พอใจเรียกว่าทุกเขเวทนามันก็อยู่ในใจอีกเหมือนกันในเวทนามันมีกายและกับใจจะนั้นจิตตาทุ ป, ปัจฉนาสติปัฏฐานกระดูรูความนึกคิดของจิตขณะในี้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรไม่มีใครที่จะรู้เพราะนั้นให้ตามดูจิตความนึกคิดของตนเองให้มีสติสัมปชัญญะนึก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 ทำมาลงที่มากระทบใจเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพระพุทธเจ้าวางไว้ทุกศิษย์เรืร่องว่าพุทธบริษัทของพระองค์ให้กําหนดรู้เพื่อให้ภาวนานอยู่ในกรอบของสติปัฏฐานสี่ถ้าได้กับสติปัฏฐานสีนี่เราจะกําหนดไปทีละอย่างละอย่างอย่างนั้นใช่ไหมพิจารณ์กำหนดกายแล้วก็กำหนดเวทนาแล้วกาหนดจิตและกําหนดธรรมอย่างนั้นใช่ไหม ไม่ใช่อย่างนั้นตามที่แนวแถวที่คุณแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวท่านบอกว่าจะเอากรรมาฐานไหนก็ได้จะสติปัฏฐานไหนก็ได้หรือเอาเวทนาหรือเอาจิตหรือเอากายหรือเอาธรรมออันไรอันหนึ่งเพรามันเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับเราจับร่างแหอย่ใช่ไหมแต่เราจับขึ้นมาตาแหยไหนกับเป็นพวนขึ้นมาได้ ก็มันเป็นอันเดียวกันมันเกี่ยวเนื่องกันถึงจะพิจารณากายใครเป็นคนพิจารณามันก็เข้อมาถึงจิตผิดการพิจารณาเวทนาจะพิจารณาอย่างไรมันก็ใจจิตของเราเป็นผู้รับรู้จะพิจารณาตัวจิตตามุูปานาสติปัฏฐานกค็คือนั่นก็คือจิตที่รับรู้เรื่องของจิตของใจธรรมารมก็เหมือนกัน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 ใจของเราก็สงบได้กับพิจารณาธรรมมาสิ่งที่มากระทบจ้องดูกำหนดดูที่มันจะมากระทบสิ่งที่มากระทบใจเราก็รู้ว่าจริงมันกระทบใครเป็นคนรู้ว่ามันมากระทบน่กระใจอีกอย่างกนึ่และก็เวทนาอีกหนเวทนาเจ็บปวดใครเป็นคนรู้ว่าเวทนาก็คือใจเป็นผู้รู้เวทนาและกำหนดดูกายกา ย, ยานุปนัสนาสติปัฏฐานกายใครเป็นคนรู้กระใจเป็นคนรู้เวทเวทนาเอ กำหนดตูกายคือลมหายใจเข้าออกนะีเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือถึงจะจับมุมไหนก็าตามมันก็เข้ามาสู่ใจทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราอย่าสงสัยในการพิจารณาสติปัฏฐานสี่กายเวทานาจิตธรรมแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านให้กำหนดกำหนดกายเพราะเหตุใดพรากายมันเป็นของหยาบมองเห็นด้วยตาเนื้อแล้วเห็นกันด้วยมีความรู้สึกด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ดูกาย ขณะดูกายนี่นก็ยังจับไม่ได้จับลมไม่ได้ยังเผลอไผลไปที่อื่นอยังลืมยังหลงไปอีกยังขาดทัตติในการจับลมอีกแล้วจะไปจับเวทนามันละเอียดแนละเป็นนามธรรมหรือเวทนาเอแต่ว่าเราก็รู้ว่านามเวทนาเลยแต่มันเป็นนามธรรมมันมองไปเห็นด้วยตาเนื้อแหละหรือจิตตานุปัญนาเรื่องของจิตความลึกคิดอะละเอียดเข้าไปอีกเรื่องของธรรมอีกละเอียดเข้าไปอีกแต่ขณะที่จับกายก็ยังจับไม่อยู่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 สรุปแล้วก็คือเข้ามาหาใจอีกอย่างเก่าเพราะนั้นการภาวนาหรือว่าการดูจิตติปฐานสี่เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องกำหนดรู้ให้รู้นแล้วก็การฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อแนะนำแนะนำในการฟัง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 ถึงจะพูดเรื่องอนัตตก็เข้าใจถึงพูดถึงเกิดแก่เจ็บตายก็เข้าใจถึงท่านจะพูดเรื่องกิเลสโลโภโกรหลงก็เข้าใจถึงจะพูดเรื่องจะปล่อยวางยังไงอจะทิ้งยังไงจะปล่อยวางยังไงไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างไงเราก็รู้ในใจของเราเนี่แหละคือการฟังธรรมฟังอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจนี่แหละในครั้งพุทธการที่พบพระสงฆ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระโพธจญา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 ถูกที่ท่านแนะนำนั่นเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วปล่อยวางก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลจบแปลว่าหมดหน้าที่ของพระพุทธเจ้าในคนคนนั้นเอาดูคนอื่นอีกต่อไปนี่แหละอันนี้คือการเทศโปรดในครั้งพุทธกาลฟังเข้าใจแต่พวกเราทุกวันนี้จะเป็นพระก็ดีจะเป็นญาติโยมก็ดีฟังธรรมเทศนาของหลวงตาหลวงพอ่อเป็นห่วงเหลือเกิน พวกเราทั้งหลายจะถือเป็นของเล่นเป็นของไม่ใส่ใจบางทีนั่งคุยกันหันหลังคุยกันเทพประโภกเปิดไปปิทยุก็เปิดไปสุภุรีอีกต่างหากเพอเพ้ อ, พ อ, พอกินน้าสาพูดกันขโมงคงเข็ญพูดออกมัดออกมวยอีกต่างหากพูดเรื่องสัพเพเหระอีกต่างหากทั้งที่ฟังเทศไปนี่แหละหลวงพ่อว่าต่อไปจิตใจของเราจะดื้อด้านทเลยเพราะเหตุใด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 พอจิตใจด้านเท่เนี่เหมือนกับดิน ม, มันด้านอย่างนั้นเทน้ําไม่หลงถือว่าเป็นธรรมดาเ อ, อเหมือนกับเสียงอะไรก็หมายลุกครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นเสียงอัดเสียงทำเป็นเสียงที่จะชําระจิตใจภาวนาเข้าไปและเพื่อจะทําให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายหลุดพน้นไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เบือ่อโลกวัฏสงสารหันหน้าต่อมรรคผลนิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแต่เรา พอฟังไปแล้วมันไม่ได้คิดอย่างนั้นเอ่เพียงแต่ว่าฟังแล้วก็อยากได้บุญเท่าน้พออยากได้บุญแล้วก็ฟังไปพอฟังเพอ้อเพยจะเป็นบาปอีตาอา่างหากพอฟังแล้วมันลำคานเสียงเอเวลาจะคุยกันก็ไม่ได้คุยถนัดเพราะเสียงมันรบ ก, กวนเอาปิดปิดปิดซะอย่างนี้เนี่ยจากนั้นก็ไปปิดซะแล้วก็มาคุยกันทนเถอะจากนั้นเรามาเอาเปิดเปิดดูซิตรงตาพูดอะไรเอกูบาอาจารย์พูดอะไร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 ก็ลืมคิ ด, ดว่าทุกอย่างนั่นคืออะไรตั้งแต่ตัวเองก็มีลูกกับพัญญาคนก่อนอคคะมเหสีคนก่อนสองท่านลูกชายแต่อัคคะมเหสีจัดสวรรคตไปแล้วก็เลยแต่งงานกับอคคะมเหสีใหม่พอได้ลูกออกมาก็รักลูกคนใหม่พร้อมอคคะมเหสีใหม่ก็เลยประทานพรนะเจ้าต้องการอะไรให้เจ้าขอพร อ, อได้ตามต้องการ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 ตอนี้พระเจ้าประเดนก็สะอึกเหมือนกันพ่อได้เปล่งวาจาออกไปแล้วโดยชัดเจนใครๆก็ได้ยินออจากนั้นพระเจ้าปเดรือเอารับไปพ่อต่อมาท่านก็บไม่สบายพระไทยก็เรียกลูกชายที่เป็นลูกอคคมาเหสีขนก่อนเขามาหาออลูกพ่อได้พังเผยพระวาจาไปแล้วเพราะทุกพ่อเนี่ยออไดป้ประทานพร ให้แก่อัคคมเหสีให ม, ม่แม่แม่ใหม่ของลูกน ะ, ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาคำสัตย์เพราะเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องรักษาคำสัตย์ถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่รักษาคำสัตย์ก็ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างไรอันนี้เราเปล่ยนออกไปแล้วเป็นการผิดพลาดของพ่อเองขอให้ลูกออกไปอยู่ในชนน้ำบทก่อนนะเไปอยู่ในป่ารงพงไพ่ซะก่อน เมื่อพ่อสวรรค์นค์แล้วยังค่อยกลับมาเข้ามาคลองราชสมบัติแทนพ่อต่อไปอันนี้ก็คือพ่อบอกลูกชายพ่อลูกชายได้ยินเท่านั้นก็เสีย อ, อกเสียใจเป็นธรรมดาร้องหม่มรอ้องไห้เพราะเป็นหนุ่มอยู่เลจากนั้นก็ต้องหลบหนีออกไปอยู่ป่าก่อนที่จะออกไปน้องชายคนเล็กเนี่ยพ่อเล่นมนุษย์ด้วยกันที่น้องสามคนถึงจะเป็นลูกต่างมารดาก็ถึงก็เล่นด้วยกัน สนุกสนานด้วยกันมันเด็กเพราะพอเห็นสองพี่ชายถือกระเป๋าหนังใส่หลังขึ้นไปอะไรไปเดินทางออกไปถามว่าพี่ๆ พ, พ, พ, พ, พี่จะไปไหนเออพี่จะไปป่าอยู่ในป่าโอ้ยผมขอไปด้วยไปไม่ได้เพราะว่าพระบิดา่ให้พี่ไปสองคนเท่านั้นนะ่ะให้น้องอยู่ซะไม่ได้ไม่ได้ถ้าพี่ไปผมต้องไปห้ามยังไงก็ไม่ฟังเอาไปก็ไปเลยกับด้ ว, ไป ด, วไปด้วยกันทั้งสาม น้องต่างมันดาด้วยพอเดินเข้าไปในป่าป่าดงลึกพือ น, นั้นเดินอยู่หลายวันกินอาหารทานอาหารไปเรื่อยพอไปเห็นสระน้ําอยู่สระหนึ่งอยู่ในป่าดงพอไปเห็นสระน้ํารู้สึกว่าโอ้หน้ารื่นรมสระนี้มีดอกบัวมีใบบัวใบใหญ่แต่เดิน พ, พระโพธิสัตว์เนี่ยเดินเดิน ด, น ด, นดูดูน้ําใสสะอาดแต่ก็ไม่มีรอยสัตว์เอไม่มีรอยสัตว์ลงไปกินน้ําเลย แปลกกว่าก็เลยมานั่งอยู่ต้นไม้พอ n ั่งอยู่ต้นไม้เสร็จแล้วก็บอกให้น้องน้อยคนจุดทองเอน้องไปเอาน้ํามาดื่มไปมาให้พี่ทั้งสองคนดื่มนะเอาเธอดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาใบบัวห้อมมาเอามาให้พี่ดื่มดองชายคนเล็กอลยไปเลยว่างา น, นคงจะไม่เล็กเท่าไรและคงจะ ประมาณสิบสามสิบสี่ปีกำลังใช้คล่องเนี่ยไอคงจะไล่เลียกันนะกลัยไปจากนั้นตัวเองก็เดินลงไปพอเดินลงไปรากบทคือผีเสื้อน้ำเนี่ยที่รักษาสะนั้นอยูย่คือได้รับพรจากเทวเวศสุวรรณว่าถ้าผู้ใดก็ตามไม่รู้จักเทวธรรมให้จับกินเป็นอาหารได้ทีนี้ก็ได้รับพรเนี่ยก็คือรักษาเนี่ย ถ้าสัตว์ตัวไหนถามดูไม่รู้จักกินเลยแบบนั้นจับกินเป็นอาหารเลยและไดรัพพรจากเทเวชูวนมาอย่างนั้นจากนั้นแตยักตัวนี้ก็เห็นอาทิตตะกุมมา เ, เดินลงไปพอลงไปเขาก็จับจับก็ถามว่าคนรู้ไหมบ้างเทวะธรรมนั้นคืออะไรเทวธรรมมันคืออะไรรู้กันพอเด็กกลัวเนี่ยรู้ เทวธรรมคืออะไรคือพระอาทิตย์โอ้ไม่ใช่ตอบไม่ถูกเขาไปจับไว้ในไตน้ําอีกเนี่ยเอาไปขังไว้ประมาณนั้นพอต่อมาอีกน้องชายคนที่สองพี่ชายเห็นเอ๊ะทำไมน้องชายหายเงียบไปก็เลยเอ๊ะไปน้องคนที่สองไปจันท ก, กุ ม, มารอไปหาไปเอาน้าํามาดื่มไปเต็น้น้องชายก็ไปอีกไปก็ไม่ได้สังเกตอีกอย่งว่า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 ก็นั่งคอยเอ๊ะไม่เห็นน้องมาก็เลยถือธนูไปด้อยถือธนูไปด้วยก็เอาชักดาบออกมาด้วยว่งั้นเถอะคือแค่ว่าเตรียมพร้อมเลยว่างั้นเถอะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะไปสู้กันเลยแล้วงั้นเถอะธนูก็เตรียมไปพร้อมลูกธนูก็เหน็บไปพร้อมเลยว่างั้นเถอะทีนี้ก็ไปสังเกตดูเนี่ยบัณฑิตเนะี่ะบัณฑิตนักปราชญ์ต้องเป็นอย่างนั้นไม่พี่พรามเอี คือทำอะไรต้องดูให้สังเกตให้รอบคอบการที่จะเข้าไปชุกชนสังคมไหนก็ตามถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต้องดูให้รอบคอบไม่อยากพิพามเข้าไปอันนี้ท่านบัญติดท่านก็เข้าไปดูดูดูรอยดูขอบสาะอีกที่หนึ่งไม่มีขนาดน้ําขนาดอยู่ในป่าโดมพงไฟ ส, สัตว์ป่าก็มีตั้เยอะแยะแต่ไม่มีรอยสัตว์ลงไปกินน้ําเลย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 ปลอมแปลงตัวเข้ามาทีเลยเข้ามาเป็นคนเข้ามาท่านบัณฑิตนะ่ยท่านทําไมไม่ลงไปดื่มน้ําให้สบายใจแต่นี่บัณฑิตก็ดูมองดูอีกเลนะเห็นคนคนนั้นอนะ่ะที่แปลงตัวมาเนะี่ยตาแดงเามือนกนะัน่าและะา้ว ก, ก็ตาไม่กับพริบอีกแล้ตาไม่กับพริบอีกแล้วก็ตาแดงท่านก็รู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้วเนะี่ยเป็นอ ม, มนุษย์แล้วเนะี่ยเป็นผีหวังพูดง่าย ไม่ใช่มนุษย์ท่านกระถามว่าท่านเป็นอมนุษย์ใช่ไหมพวกนั้นคือไม่ไมเคยโกหกยิ่แล้วเนี่ยโกหกไม่มีนะพวกเอพวกอมนุษย์เนี่ยใช่ฉันเป็นอมนุษย์ทําไมเพราะว่าข้าพเจ้ารักษาสานี้ได้รับพรจากทาวเวทวสุวรรถ้าใครไม่รู้จักเทวธรรมจะต้องจับกินเป็นอาหารทั้งหมดถ้าท่านรู้เทวธรรม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 จุดนี้แล้วพวกเราสนใจให้พวกเราฟังเอาไว้นะทีนี่จุดนี้ท่านจะทำยังไงถึงท่านจริงจะแสดงเคียวธรรมได้บัณฑิตก็บอกว่าท่านต้องตักน้ำมาให้เราอาบชำระ ก, กายซะก่อนกายของเราบริสุทธิ์ซะก่อนเราอาบน้ำให้ชำระ ก, กายของเราให้สะอาดซะก่อนแล้วให้เราทานอาหารให้อิ่มน้ำซ้ำลานซะก่อนเมื่อเราได้ ทานอาหารร่างกายของเราเไม่มีเหงื่อและก็เชื้อผ้าของเราสะอาดเมื่อนั้นท่านก็ต้องตั้งอาชนะขึ้นมาให้สูงให้ตั้งอาชนะให้สูงเหมือนกนระท ม, มาศและก็ให้ท่านนั่งอยู่ข้างล่างนักเมื่อข้าพเจ้ากล่าวทำท่านต้องประนมมือฟังเมื่อนั้นแหละข้าพเจ้ า, จจากิงจะแสดงเทียวทำให้ฟัง ถ้าว่าท่านไม่แสดงความเคารพข้าพเจ้าจะไม่กล่าวเพราะ น, นี้เป็นธรรมของสัตว์ปรุษเป็นธรรมของบรรพบุรุษเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นธรรมที่อันบริสุทธิ์ไม่ใช่ธรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนธรรมเท่านั้นเองแต่ธรรมนี้เป็นธรรมอันบริสุทธิ์เพราะนั้นท่านอยากจะฟังธรรมท่านอยากจะรู้ธรรมท่า น, านต้องปฏิบัติอย่างที่ข้าพเจ้าบอก เอออมนุษย์คนนั้นก่อนเปตชุวันเขาก็บอกอย่างนั้นมาสั่งอย่างนั้นมาคืออยากจะหาคนที่รู้เทวธรรมอจากนั้นรากบทตัวนั่นเขาก็เลยหาของอย่างที่ไว้ให้นั่นนะ่ะให้อาบนา้ําชําระกายเปลี่ยนเสื้อผ้าให้จากนั้นก็หาอาหารให้ทานพออาหารให้ทานเสร็จแล้วก็ตั้งตั้งโต๊ะขึ้นมาให้เป็นธรรมมารแต่แกแหรดปวดทั้งคนนั่งอยู่ต่ําที่ต่ํา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 ถ้าทุกคนมีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปอยู่ในจิตในใจคนนั้นแล้วคนนั้นแ่ะจะไปสู่สวรรค์ถ้าว่าคนใดก็ตามไม่มีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปไม่มีคนนั้นมีแต่ไปสู่นรกไม่เป็นอย่างอื่นท่านเข้าใจไหมรากบทนั้นจะมีแต่ซาทุกซาตุซาตุท่านฟูเทวธรรมได้ถูกต้อง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 แต่ถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้าข้าพเจ้ากลับไปคนทั้งหลายก็ถามว่าน้องชายเล็กไปไหนเราก็บอกว่าลากปลดจับไปกินแล้วเขาจะเชื่อไหมเขาก็คงจะว่าพี่สองคนเนี่ยต้องฆ่าน้องแน่แน่เพื่อจะมาครองราชมันเป็นมลทิงสําหรับข้าพเจ้าตลอดไปเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าทําอย่างนั้นไม่ได้ทิ้งยังไงให้ท่านเอาน้องชายคนเล็กมาให้ข้าพเจ้า ทางลากบทโอ้ท่านเป็นธรรมท่านเป็นบัณฑิตอข้าพเจ้าจะมอบให้ทั้งสองคนนะก็ได้ส่งทั้งพี่ทั้งน้องให้ทั้งสองรวมก็เป็นสามที่ได้ลากบทก็ถามว่าจะให้ข้าพเจ้าปฏิบัติอย่างไงพระโพธิสัตว่วานี่นะลากบทที่ท่านเป็นลากบทอยู่นี้ก็ได้สวยกลัมในอดีตท่านทํากลัมไว้ไม่ดีในอดีตแล้วก็มา เป็นรากปวดอยู่นิอย่างนี้และก็ยิ่งจับสัตว์จับผู้คนกินอีกต่างหากบาปกรรมตัวนี้จะพอกพูนในตัวของท่านกว่าท่านจะหมดอายุในการเป็นรางปวดนี้บาปกรรมของท่านจะทำไปมากมม่ขนาดไหน เ, เ, เพราะฉะนั้นท่านทางที่ดีท่านควรจะมีศีลห้ารักษาศีลห้าะจะดีที่สดุดเพราะจะได้งดเว้นถึงยังไง ชีวิตนี้มันก็ไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนทั้งมนุษย์ทั้งอมนุษย์การล้วนแล้วแตตกอยู่ในกฎอันิจังคือของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถึงวันหนึ่งก็ถึงจุดจบคือความตายเหมือนกันเพราะนั้นอ่าท่านจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องท่านจะไปเห็นแก่ความชั่วที่จะกินสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ท่านงดรักษาสีนห้าไว้จะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับท่านตลอดไป ลาบบทตัวนั้นก็ร้องให้รู้ถ้าเข้าไปเจ้ารักษาสินห้าเข้าเข้าไปเจ้าจะกินอะไรอทางมัตชีจะบอกไม่มีปรญหาเข้าไปเจ้าหาผลน้ำหมากลากไม้เลี้ยงกินกันกินกันแล้วกันอจนถึงวันตายแล้วก็จบเท่านั้นจะไปกินดีกินดบกินดีอะไรไปกินดีถึงขนาดไหนก็าตายอย่างเก่านั่นแหะมีที่เป็นบาปเป็นกรรมอีกต่างหากถ้าเรากินสัตว์กินมนุษย์เนี่ยะนั้น ลาบปวดตอนนั้นก็ยอมฮะนะยอมพระโพธิสัตว์จากนั้นก็ยอมก็เลยอยู่ด้วยกันเป็นสี่จากนั้นพอพระปิดาสวรรคตรล ก, กลับเข้ามาผลที่สุดกับพี่ชายใหญ่ก็เด้คลองราชสมบัติก็ยกให้เป็นทั้งน้องชายอุปราชรักษาเป็นอุปราชก็คือผู้ครองฝูนเป็นน้องๆรักษาบ้านประเทศชาติด้วยกัน นี่แหละสรุปแล้วก็คือตรงที่ว่าการฟังธรรมเทศนาเนี่ยเราจะไปถือแบบพังแบบง่ายๆที่แบบง่ายๆเออสูบปุหรี่แล้วก็ฟังเพเพๆกินเหล้าแล้วก็ฟังอีกเพ้อๆเล่นไพ่แล้วก็ยังฟังเทศอีต่างหากเนี่ยมันไม่ถูกนะเออกินอาหารฟังอีกต่างหากอย่างไรเออถ้าฟังก็ต้องฟังด้วยความเคารพไปเอียสถานที่ใดที่ความเคารพควรจะตั้งใจฟัง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 พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาไม่ใช่ของเล็กน้อยนะถ้าท่านไดตั้งใจฟังถ้าใจฟังแล้วจะประสบความสําเร็จสมความมุ่งมา่นปราถนาการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเราได้ฟังธรรมประเทศสนาพระสงฆ์สมัยนั้นพวกเราได้ศึกษาได้ฟังในพระไตรปิฎกศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าประเทศในสถานที่ใดบางทีได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลพระเป็นร้อยเป็นพันเป็นสี่ห้าร้อย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 แล้วก็ปล่อยวางที่จิตที่ใจของเราจิตใจของเราก็จะหลุดพน้นจากอาสวะกิเลสในการการฟังนะาการฟังเหมือนก็นเราเข้าใจเเราไปฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านเขาสอนให้เราในหะ้เล็กเอร์ให้เราเราก็ฟังแค่เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็จบในการแนะนานสั่งสอนไม่ต้องนั่งสมาธิฟังเราฟังอย่างนั้นก็เข้าใจแล้ว แต่ถ้าว่าเรายังไม่เข้าใจเราก็กลับมานั่งสมาธิอีกกันกรองไตรตรองอีกที่เราได้ฟังจากครูบาอาจารย์มานั้นเป็นยังไงมีเหตุมีผลไหมามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะจากนั้นพอทบทวนเสร็จแล้วก็เราก็ปล่อยวางจิตใจของเรากระุบพ้นจากอาสวะกิเลสอันนั้นก็มีอยู่มากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเปิต้นว่าอ่อ า, อ า, อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ผู้ฟังทายอ่ยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังแอแล้วก็อันสุดท้ายว่าขณะที่ฟังจิตของผู้ฟังก็ได้รับความผ่องใสนเพราะฉนั้นการฟังธรร ม, ร ม, ร ม, รมเทศนาหรือว่าการได้รับการอบรมอ่านหนังสือหรือว่าศึกษาธรรมะจากธรรมลิขิตของครูบาอาจารย์จะเกิดประโยชน์มากเพราะเราจะได้นําแนวความคิดของท่านมาปรปับปรุงกายว่าใจาใจของเรา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 ท่านเทศนาว่าการท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านบอกว่าวิเดเยทุกขมัตเจติผู้จะล่วงทุกได้เพราะความเพียรความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นฮเพราะฉะนั้นเรามีความเพียรเราพิความพยายามเพียงพอหรือยังไม่ว่าแต่คดีโลกหรือคดีธรรมแต่ระหว่าพวกเราอยู่ทางโลกเรามีความเพียรเรามีความพยายาม ก็ประสบความสำเร็จได้ในหน้าที่การงานนั้นๆแต่ถ้าพวกเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีความอดทนแต่ทำอะไรอๆเลๆเลยๆรอๆอะผลที่สุดก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันที่พอที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้พอที่จะมั่งมีสีสุขมีอยู่มีกินได้พวกเราก็เป็นไปไม่ได้พเพราะเหตุอะไรเพราะพวกเราขาดความพยายามขาดความเพียร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 พระใหญ่โพริษัทเนี่ยท่านได้สั่งสมบารมีมามากต่อมากแล้วไอ้ที่ท่านเอามาพูดเนี่ยคือท่านที่ฉลาดเพราะงั้นที่ท่านบำเพ็ญมามากแล้วไอ้จวนแล้วเอี่ยห้าร้อยชาติเนี่ยแต่จ ะ, จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะนั้นท่านเกิดมาอถ้าเกิดเป็นสัตว์พิทักา์นก็ฉลาดกว่าสัตว์พิทักาน์นเกิดเป็นช้างกว่าฉลาดกว่าช้างทั้งหลายทั้งปวง เกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่ฉลาดกว่าเทวดาทั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ฉลาดถ้าเกิดเป็นสัตวประเภทไหนก็ฉลาดกว่าสัตวประเภทนั้นเพราะพระโพธิสัตว์นี่สั่งสมบา ร, รมีมามากทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งคันติปิระยะอดทนครอบมดทุกอย่างบา ร, รมีสิบทัดของท่านสิบทัดยี่สิบทัดสามสิบทัดทำไมจังว่ดสามสิบทัด ตัวฐานะปรามีสัมปันโนอิจิปิโสฐานะอุปปรมีฐานะปรมัตถะปรามีฐานก็มีสามสีลปรามีศีรอุปปรมีศีรปรามัตถะปรามีสรุปเลคือบารมีสามสิทธัสแต่มีเคร่งกลางหย่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นรวมแล้วเป็นสิบถ้าว่าเคร่งได้พอดีถ้าเคร่งไม่ได้ขั้นการ ถ้าเท่งมาทางก็ขั้นย่อนแต่ถึงอยู่ในอยู่อยู่ในเขตของบา ร, รมีอยู่อันนี้บอกบา ร, รมีสามสิบทัศนะเนี่พระุทธเจ้าของเราก็เกิดมาในชาตินั้นเป็นลูกของหัวหน้าพ่อค้าเกวียนแต่นี้ท่านเกิดขึ้นมาแล้วพอเป็นหนุ่มขึ้นมาพ่อก็สอนวิชาอาชีพให้วิธีการเป็นหัวหน้าเนะี่ยครอบครอบอย่างไรอย่างเวลาเดินเกวียนเดินอย่างไร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 ก็ว่ารอบครอบในกรมนี่ให้รับผิดชอบในลูกนั่นคำว่ารับผิดชอบคำนี้ก็ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอีกเหมือนกันแห่ความรับผิดชอบในหมู่เกวียนความรับผิดชอบในพนักงานความรับผิดชอบในสินค้าอันนี้ความรับผิดชอบของท่านท่านก็รอบครอบอีกเอนี่แหละอันนี้เลยคือผู้มีปัญญาเพียงแต่พ่อแนะนําอย่างเดียวเท่านั้น่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่องไปหมดผู้มีปัญญาทางว่าผู้ไม่มีปัญญาอย่ันว่า รอบคอบอะไรพ่อใช่อให้มันขยันอะไรพ่ออยู่ผลนสุกถามพ่อทั้งหมดผลนิสุกพ่อมันรู้จะถอนอยังไงอีกเหมือนกันแววแห่งความฉลาดแววแววแห่งความรับผิด ช, ชอบแห่งความเฉลียวฉลาดมันสอนได้ในระดับหนึ่งนะถ้าว่าผู้มีปัญญาอคล้ายๆว่าผู้ที่มีแววมีอัจฉริยะในตัวของเขานะ่ะเขาจะรู้ว่า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 เราจะเดินกลางคืนนะกลางคืนมันเย็นกลางวันเราจะพักเพราะมันร้อนเดินกลางวันไม่ไหวหรอกตายเลยพวกสัตว์อตากแดดตะเกียบทะเลทรายไปเรื่อยไม่ไหวกลางวันมาให้จัดพักผ่อนกินหญ้ากินน้าที่เอามาพอตกกลางคืนพอเย็นเย็นเ่ยสี่ห้าหกโมงเย็นเอาเดินละพอเดินไปก็ดูดาวไปเรื่อยดาวในท้องฟ้าเนี่ยสำคัญมาก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 เพรานั้นพวกน้ําพวกอะไรก็เทเททิ้งก็ได้เพราะว่าถึงแน่ๆทีนี้ก็พวกนัก่ก็เออเอาพอพอค่ําแล้วก็เดินเลยพอเดินไปอหัวหน้าเกวียนที่เป็นนายหน้ามันหลับทีนี้หลับงีบไปว่างั้นเ่ะพอหลับไปทีนี้ม้ามกันเอียงไปข้างเลยทีนี้มันไม่ไปอย่างที่ตัวเองอยากจะไปมันกระตับไปตามที่มันอยากจะไปเลย มันก็วกมาหาทางเก่าเท่าเทียมา เ, ยเดินไปพอตื่นขึ้นมาตายมันจวนสว่างเลยมองดูท้องฟ้าตาตาตาตมันผิดที่ผิดทางเลยวน่หันหลังกลับไปอีกพวกนั้นก็โอ้ยบุญอุบอับเลยจะเนี่พวกที่ตามหลังไปโดนใ้สุขมันไม่ถึงที่จะเนี่ยพอไปถึงก็จอดพอจอดขึ้นมาน้ำทึ้งที่มันจะเหลือเฟือที่จะต้องได้ใช้มันกันถ้มก็ ร้อยหลอนเล ย, ยเพราะมันจะถึงที่แล้วมันไม่ถึงนะมันจะต้องไปอีกนะอีกวั น, นเลยคนมันจะแย่เล ย, ยพระโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ทำยังไงแก้ปัญหาสะพนาเน้ายเนี่ยพูดฉลาดเลยพระโพธิสัตว์ท่านก็เดินเดินในทะเลทรายนะเดินเดินเดินไปไปเห็นกอหญ้ากอหนึ่งใบเขียวกยวนะ็ะีวนันเอออ โบราณเขาบอกว่าที่ไหนมีหญ้าที่นั้นมีน้ําน้ํามันต้องอยู่ใต้กอหญ้านี่แหละมันยังเขียวอย่าได้อย่างนี้ถ้ามีแต่ทรายอย่างเดียวมันจะเขียวได้อย่างไงเอา้าก็เลยบอกบริวารที่เป็นลูกน้องกําลังแข็งแรงกํายำเหมือนกันแต่เอาขุดตรงนี้ต่างคนก็ต่างขุดขุดขุดลงไปจนถึงพื้นหินเทีเนี่ยขุดลงไปถึงพื้นหิน โพนั่งเห็นพื้นหิ น, นทาไมอ ย, ยอมแพ้เหมือนแต่ตายมันเหนื่อยจนพอลังนะหาน้ําไำจริงก็ไม่ไม่ไม่ได้แล้วพระโพธิสัตวเอาหูลงไปฟังในแผ่นหินอีกนะเอาหูจําจุดลงไปมันน้ํามันไหลอยู่พี่อยู่เ น, นี่นะอยู่ใต้ก้อนหินเหมือนนั่นแหะพระโพธิสัตว์ว่าน้ำมันอยู่ในตอนก้อนหินมีนะเออเอาผู้ที่มีกําลังหาแท่งเหล็กมากคือแท่งเหล็กเขาก็อยู่ในรถ เราคงจะทำเป็นเพลาพวกเพาเกวียนพว ก, พะ ก, พะกอะไรและะ้อมะก็มีสำรองเอาไว้เอาไเอาอมากระแทกเลยจะมีออกมาสามสี่คนกระเจ้ากระแทกอย่างแรงแผ่นหินแตกพอเห็นแตกน้ำก็ไหลทู่ขึ้นมาพปกขึ้นมากระแทกอีกให้มันกว้างๆจะนั่งพวกนั้นก็เลยได้กินน้ำทั้งวัวทั้งคนเหือนนนี่แหละอันนี้คือคือพระโพธิสัต์ พอกินน้าเสร็จแล้วเอาไปพักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วอพอค้ำค้ำเอาเดินทับต่อไปกระสั่งบริวารเอ อ, เ อ, อพวกท่านทั้งหลายไปลาขายของนะอจะไปขายเกินกําไรพอได้กําไรแล้วก็พอแล้วเออกาไรขนาดไหนเอาขนาดที่พอนะสินค้าแต่ละตัวนะแต่พวกท่านทั้งหลายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อคู่คนนะเมื่อเขาเมื่อเรายิ้มต่อเขาเขาก็ยิ้มต่อเรา เ, เราโกรธให้เขาเขาก็โกรธให้เรา ถ้าเราพูดไมดีกับเขาเขาก็พูดไม่ดีกับเราพวท่านผูยนั้นพวกท่านต้องสำรวมต้องระวังต้องเป็นคนดีอต้องยิ้มให้เขาก่อนที่จะขายของนะพระโพธิสัต์ท่านสอนสอนบริวารจากท่านบริวารไปถึงที่ก็ขายของสําเร็จจบความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาพอขายของได้หมดเลยเลยนี่แหล ะ, พระ พ, พ, ระพระพุทธองค์ท่านบอกว่า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 ยังไม่ดีอเราไปนั่งภาวนาอยู่ยตามลําพังอยู่ในจิติปฐานสี่อย่างที่หลวงพ่อพูดบาตน้นอยู่ในกายอย่างเดียวกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทพโธกายเวทนาจิตอ่ยเวทนาหรือว่าอยู่ในผู้รู้อย่างเดียวยุทธธรรมทดลองดูหลายๆอย่างพวกเราจะถูกกับจริญอะไรแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลูกปู่มันท่านให้กำหนดดูกายนี่นะทดลองดูซิ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 ไม่ใช่ว่าทําอย่างไรก็ทําอย่าอย่างเก่าอย่างเก่าอย่างเก่าฮอทําอย่างเก่ามันก็ได้อย่างเก่าเลยสิอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนะเอพ่อปั่นเก่าอีตาเลาไปไท่กลับมาบานหวารานคือเก่านี่ะพ่าะอะไรเพราะทําอย่างเก่ามันก็ได้อย่างเก่านะไปที่ไหนกลับมาคงว่ารานอย่างเก่าฮะเพราะนั้นพวกเราจะให้เป็นอีตาเล่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุง มีความเข้มแข็งเข้มข้นในตัวเป็นบางครั้งบางคราวถ้าได้สม่ําเสมอก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้สม่ำเสมอก็ยังอไม่ใช่ว่าลรอแหละรลแหละรอแหล ะ, ล ะ, ละมันจะมีจะเห็นน้ําได้อย่างไรเอเห็นไหมพระโพธิสัตว์ท่านก่อนที่ท่านจะได้น้ํามาดื่มท่านมีความเข้มแข็งขนาดไหนท่านใช้สติปัญญาขนาดไหนเอาหูฟังในแผนเห็นเลยจากนั้นก่อนได้รวมพลังกัน เหนื่อยพ่อแมงพวกขนทั้งหลายเหนื่อยแต่ก็ขอร้องว่าเอากระแทกตัวซิกระแทกเหล็กลงไปในซิให้แผ่นหินนี่มันแตกพอกะแทกหินแตกเท่านั้นนั่นแหะคือความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยจะจะให้พวกเรามีความพยายามในการทําความภาคความเปลี่ยนของพวกเราอย่างไปอยู่เฉยๆมื่อยๆทาอย่างเก่าเป็นวันนี้ก็ทําอย่างเก่า มันไม่กระเทือนนะมันไม่สะดุดนะแต่พวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่ผมว่านะอย่างน้อยก็ได้รับความสงบทางท้าน จ, จิตใจนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะได้ริมรถด้วยตนเองนะไม่ใช่ว่าเราจะได้ฟังอย่างเดีย ว, วนะเท่านั้นเราได้ริมรถเมื่อเราได้ริ้มรถแห่งความสงบแล้วพวกเราจะโอ้ภาคภูมิใจอย่างมากบะัะ ถ้าทาคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตธรรมกราดไว้ชอบจริงๆฮะ้พวาอะไรพอเราปฏิบัติดูแล้วเป็นความสุขที่แท้จริงๆเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะไอ้ผูดทางนี้ทางนั้นแค่ว่าเป็นการแนะแนวเป็นการบอกกล่าวให้พวกเราให้มีความอุตสาหะริยะให้มีความอดทนและให้ความมีความมุ่งมั่น ในศีลในธรรมให้เป็นพระที่ดีญาติโยมที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมอยู่นัสถานที่ใดให้มีคติอัตตะอย่างที่บันติดที่ท่านสอนลากบทอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องจนเกินไปให้เห็นแก่ธรรมพอเลี้ยงดีขนาดไหนชีวิตเนี่ยก็จ้องตายอยู่แล้วตายแล้วไม่สูญนะบาปกรรมยังติดตามตัวเองไปอีกนะ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 อยู่ในกรอบของศีลธรรม ข, ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการ